เสียงอ่นานหนังสือณนะมอราณาฉบับปรับปรุงใหม่งานเขียนโดยดังตรินรวมบทความเพื่อเข้าใจความจริงของชีวิตที่ทุกคนต้องเจออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เรียนรู้เพื่อจัดการชีวิตและความทุกข์เพื่อเตรียมพร้อมไว้ก่อนถึงวันจริงอันจะนามาซึ่งสุขติเป็นที่พึ่งพิงกันต่อไปได้จริงในวันข้างหน้าอีกยาวไกลหากยังไม่บรรลุธรรมการระลึกถึงความตายเป็นกรรมฐานที่สําคัญ ดังพุทธพจน์ที่ว่าผู้ระลึกถึงความตายอยู่ทุกลมหายใจจึงเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างแท้จริงอ่านโดยอริยคุณจัดทาโดยเจ้าภาพหลักครอบครัวสินทวัต์ครอบครัวพันธสิทธิ์นงรักสุวอรลาวีวัตรยองเอ็นร่วมจัดทมโดยสุภกิจนิมา น, นรเทพครอบครัวอิมวงศรีวิชยาดามุงวิชาร่วมกับอีกหลายท่านฟังได้จากท้ายเรื่องนะครับ ขอทุกท่านร่วมอนุโมทนาในมหาธรรมทานครั้งนี้ร่วมกันสัพพาทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงจนร่วมศึกษาธรรมไปพร้อมกันเลยนะครับณโมรนาฉบับปรับปรุงใหม่เกิดทั้งน้ำตาไม่น่าอายแต่อย่าตายทั้งน้ำตาก็แล้วกัน คำโปรยปกหลังไม่มีใครไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายในขณะที่กําลังจะตายวันเกิดคือหลางแรกของความตายถ้าใครเห็นธรรมดานี้ได้ก็สามารถเห็นธรรมดาอื่นๆในชีวิตได้เช่นกันเราต่างเป็นนักเดินทางผู้โดดเดี่ยวนักเดินทางใดมีแผนที่และรู้วิธีไปให้ถึงจุดหมายปลายทางสุดท้ายย่อมเหลือทางหลงไปสู่เหวแห่งมรณะน้อยแล้ว จากใจดังตรินใครก็ตามที่สำคัญว่าตอนอยังห่างไกลจากความตายย่อมรู้สึกเสมอๆว่าชาติหนึ่งยาวนานหรือเกินแต่เมื่อใกล้ความตายเข้ามาชาติหนึ่งกลับปรากฏเป็นของสั้นไม่เท่าไรก็จะต้องตายอีกแล้วคนใกล้ตายจะรู้สึกว่าชาติหนึ่งเดียวยวมีหรือไม่มีแทบไม่ต่างกันเลย ตอนตายจับคว้าอะไรที่เคยมีไว้ไม่ได้สักอย่างความตายอยู่ใกล้ตัวกว่าที่คุณคิดและหน้าที่ของหนังสือเล่มนี้ก็เน้นให้คิดถึงความตายในทางดีพร้อมจะไปดีรู้วิธีที่ชัดเจนในการเตรียมเนื้อเตรียมตัวการมองอะไรในแง่ดีแง่ที่เป็นกําลังใจไม่ได้หมายถึงการเฝ้าคิดว่าจะมีชีวิตอย่างเป็นศพไปอีกนานเพราะที่แท้ นั่นเป็นการคาดหวังที่อาจนำไปสู่ความผิดหวังอย่างรุนแรงต่างหากเท่าที่ผมพบผู้คนที่เป็นทุกข์หมดกำลังใจและมองโลกในแง่ร้ายมากๆนั้นมีอยู่สองพวกหนึ่งคือชีวิตมีแต่ทุกข์แล้วหาทางออกไม่เจอสองคือชีวิตมีแต่หวังว่าจะสุขแล้วไม่เคยสุขได้เท่าที่หวังอีกแบบหนึ่งคนที่มองโลกตามจริง มักมีความคาดหวังที่พอดีไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปเพราะรู้จักโลกเข้าใจชีวิตอย่างที่มันเป็นคือไม่มีใครสุขได้ตลอดไปไม่มีใครทุกทนไปจนสิ้นกาลนานชีวิตต้องขึ้นบ้างลงบ้างจะให้แบนราบหรือขึ้นสูงอย่างเดียวไม่ได้เมื่อทำใจมองโลกตามจริงได้แม้ความตายมาสกิด ก็ไม่ทุรนทุรายคิดดิ้นรนหลบหนีตรงข้ามกลับจ ะ, ะเผชิญหน้าความตายอย่างไม่สะทกสะท้านหรือกระทั่งครึ้มอกครึ้มใจเสียอีกข้าที่รู้ว่าตัวเองมีอะไรดีๆเตรียมไว้พร้อมต้อนรับความตายแล้วดังตรินตุลาคมพุทธศักราช2556